เจรานพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสเจ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ มาเดินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้เดินกันเพราะเป็นทางที่จะนำความร่มเย็นเป็นสุขทางที่จะนำพาความเจริญให้แก่จิตใจด้วยศรัทธาความเชื่อ เชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงได้พบได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้นี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ การดำเนินชีวิตของพวกเราเพราถ้าเราไม่ได้รู้ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ความจริงของเราว่าเราเป็นอะไรเป็นใครกันหนาะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนพวกเราก็จะคิดว่า เราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวเราตัวเราที่แท้จริงก็คือใจใจนี้เป็นร่างทิ่เป็นกายทิ่ส่วนร่างกายนี้เป็นกายหยาบใจ มาได้ร่างกายอันนี้เพราะมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเช่นต้องการตาหูจมูกลิ้นกายไว้ได้เสดได้สัมผัสกับรูปเสียงเกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เวลาใจได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพผ่านตาหูจมูกลิน้นกายก็เกิดสุขเวทนาเกิดความสุขขึ้นมาใจต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาใจมาได้ร่างกายแล้วไม่มีใครบอกว่าร่างกายไม่ใช่ใจ ใจก็จะไม่รู้ใจก็จะหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังหลงคิดกันอยู่ตอนนี้พวกเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่ความจริงแล้ว <c oughs> เป็นเพียงเครื่องมืออันหนึ่งเหมือนกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพทพ์มือถือนี้ ต้องมีสัญญาณถึงจะสามารถส่งเสียงได้เช่นเวลาเราส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์มือถือสัญญาณนี้ก็จะออกไปจากเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งถึงจะสื่อสารกันได้ฉันใดใจของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนสัญญาณโทรศัพท์ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตัวเปล่าเมื่อเรามองไม่เห็นใจเราเห็นแต่ร่างกายเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเหมือนกับสัญญาณโทรศัพท์ไปคิดว่าเครื่องโทรศัพท์นี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งความจริงแล้วเป็นคนละส่วนกัน ร่างกายนี้อยู่ในโลกนี้คือโลกกฐาสส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิดเหมือนกับโทรศัพท์นี้อยู่ในโลกนี้แต่สัญญาณโทรศัพท์นี้อยู่ในโลกของสัญญาณโทรศัพท์อยู่คนละโลกกันอยู่คนละมิติกันแต่มีความเชื่อมสัมพันธ์กันได้ เช่นสัญญาณโทรศัพท์สามารถเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์ได้ออกจากเครื่องโทรศัพท์ได้ฉันใดกายของเราก็มีสองส่วนคือกายหยาบคือร่างกายและกายละเอียดคือกายทิพย์แต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่กายทิพย์เราไปหลงคิดว่าเราอยู่ที่กายหยาบ อยู่ที่ร่างกายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการกระทาของเรานี้เกิดจากการกระทาของกายคิดกายอยากคือร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งผู้สั่งให้ร่างกายอยางนี้ทําอะไรต่างๆนี้คือกายทิศกายทิศนี้มีความสามารถที่จะคิดที่จะมีความรู้สึก ที่จะมีความรับรู้แต่กายหยานี้ไม่มีความสามารถกายยาเป็นเพียงผู้รับข้อมูลแล้วส่งไปให้กายทิพอีกทีหนึ่งกายหยาบนี้เปรียบเทียบเหมือนกับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมีหน้าที่ถ่ายรูป แล้วเก็บไว้ในกล้องผู้ที่จะดูรูปภาพที่กล้องถ่ายรูปถ่ายนี้ก็คือคนเจ้าของกล้องก็คือมนุษย์นี้เองแล้มนุษย์นี้ก็มีสองส่วนดูภาพจากกล้องด้วยตาด้วยร่างกายแล้วถึงส่งไปอีกท่อนหนึ่งส่งไปที่กายที่ ไปที่ใจไปผู้ที่รับรู้รูปภาพขึ้นมานี่คือส่วนต่างๆของตัวเราถ้าเราไม่ได้มีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนเราจะคิดว่าเรามีส่วนเดียวคือมีร่างกายอันนี้พอเราเห็นมีร่างกายเพียงส่วนเดียวเวลาร่างกายตายไป เราไม่เห็นว่าร่างกายจะไปไหนต่อได้ก็เห็นไปที่เมรุกันแล้วก็ถูกเขาจับเข้าเตาเผาเผาไปจนกลายเป็นเศษกระดูกลายเป็นที่เท่าไปเราจึงไม่เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมกันว่าเป็นได้อย่างไรว่าทำบุญแล้วไปสวรรค์ได้อย่างไรทำบาปแล้วไปนรกได้อย่างไร เพราะเราไม่เห็นผู้ที่กระทำแลนะผู้ที่รับผลนั่นเองผู้ที่กระทำจริงๆไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้ที่กระทำจริงๆผู้ที่กระทำจริงๆก็คือกายทิพนี้ที่เราเรียกว่าใจใจนี้เป็นกายทิพตอนนี้มีร่างกายเป็นเครื่องมือใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ทำแล้วก็ได้รับผลทันทีทำบุญป๊บก็ได้รับสวรรค์ทันทีสวรรค์คืออะไรสวรรค์ก็คือความสุขใจความอิ่มใจความสบายใจเกิดขึ้นที่กายทิพย์ไม่ได้เกิดที่ร่างกายกายทิพย์เป็นผู้ได้รับความรู้สึกรู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขใจอิ่มใจ อย่างที่พวกเราตอนนี้กำลังได้รับกันพวกเรามาทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมใจก็ได้รับความสุขนี่เราเรียกว่าบุญความสุขก็คือสวรรค์สวรรค์ก็อยู่ที่กายทิพนี้เองเพราะว่ากายทิพนี้แหละผู้ที่อยู่ในโลกทิพน์สวรรค์ในโลกนี้อยู่ในโลกทิพ ไม่ได้อยู่ที่โลกโลกของร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกกัท่าโลกแห่งดินน้ำลมไฟแต่อยู่ที่โลกทิพย์ใจนี้เป็นกายทิพย์พอทำบุญปั๊บใจก็ไปสวรรค์ทันทีเป็นเทพทันทีพอทำบาปปั๊บใจก็เป็นเปรตทันทีเป็นนรกทันทีอันนี้ นี่คือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหยาบอันนี้ร่างกายหยาบอันนี้เป็นเพียงเครื่องมือของกายทิพย์ผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ได้ไปทำให้กายทิพย์นี้ตายไปกับร่างกายกายทิ่เป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นทันที เป็นเทพก็จะเป็นเทพทันทีเป็นเปรตก็จะเป็นเปรตทันทีเป็นนรกก็จะเป็นนรกทันทีนรกสวรรค์การเป็นเปรตเป็นอะไรต่างๆนี้เป็นที่กายทิพย์เกิดจากการกระทำของกายทิพย์กายทิพย์สั่งให้ร่างกายทำบุญกายทิพย์ก็จะเป็นสวรรค์เป็นเทพขึ้นมา กายทิพสั่งให้ร่างกายทำบาปกายทิพก็จะเป็นเปรตเป็นนักผีเป็นนรกขึ้นมาเป็นเดรัจฉานขึ้นมาอย่างที่มีคำพูดที่พูดไว้ว่ามีร่างเป็นมนุษย์แต่มีใจเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นนรกบ้างก็อยู่ที่ใจนี่แหละ อยู่ที่การกระทำของใจถ้าเราทำบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีใจของเราก็ไม่ต่างจากใจของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ทำบาปกันหมานี่เวลาจะกินอะไรไม่ขออนุญาตใครก่อนถ้ามีใครวางของไว้เผลอไว้เขาก็ค้าไปกินแล้วนี่คือนิสัยของเดรัจฉาน เวลาอยากได้อะไรจะทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่ตอนอยากได้มาอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไปทำบาปเราก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานเพราะตัวเรานี้อยู่ที่กายทิศไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของกายทิศเท่านั้นเอง เป็นเครื่องมือที่จะเอาไปทำบุญหรือเอาไปทำบาปแล้วพอทาแล้วผลก็เกิดขึ้นที่กายทิพย์สวรรค์ก็เกิดขึ้นมานารกก็เกิดขึ้นมาแล้วก็จะสะสมอยู่ในกายทิพย์นี้ไปเหมือนกับเราสะสมเงินในธนาคารเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็บัญชีเงินฝากของเรา ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาที่เราไปกู้เงินจากธนาคาร <_ ith> บัญชีเงินกู้ของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำบุญกายทิพย์ของเราก็จะเป็นสวรรค์มากขึ้นทุกครั้งที่เราทำบาปกายทิพย์ของเราก็จะเป็นนรกมากขึ้นเป็นอบายมากขึ้น เป็นเปรตมากขึ้นเป็นเดรัจฉานมากขึ้นนะพอเวลาร่างกายนี้หยุดทำงานถ้าอันไหนมีปริมาณมากกว่ากายทิพย์ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าบาปมีปริมาณมากกว่ากายทิพย์ก็จะเป็นอบายไปเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นนรกบ้างถ้าบุญมี ปริมาณมากกว่าบาปกายทิพย์ก็จะเป็นสวรรค์เป็นเทพบ้างเป็นโธมบ้างเป็นพระอริยะบุคคลบ้างทั้งหมดนี้อยู่ที่กายทิพย์นี้เพียงตัวเดียวกายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายกายทิพย์ก็จะต้องเป็นไปตามที่กายทิพย์ได้ทำขึ้นมา เป็นเปรตบ้างเป็นเนรฉานบ้างเป็นนรกบ้างหรือเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยบุคคลก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของกายทิพย์นี่เองผ่านทางร่างกายอย่างว่านี้กายทิพย์ก็สั่งให้ร่างกายมาทําทานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาระดับหนึ่ง สั่งให้รักษาศีลใจก็พ้นจากอบายพ้นจากบาปไม่มีบาปที่จะต้องไปใช้แล้วถ้าสั่งให้ร่างกายมานั่งเฉยๆทำใจให้สงบพอใจสงบก็จะได้เป็นพรหมขึ้นมาแล้วถ้าได้ยินได้ฟังเทศอย่างวันนี้แล้วเกิดความเข้าใจ เรื่องบุญเรื่องบาปก็จะกลายถึงพระอาริยบุคคลขึ้นมาเช่นพระโสดาบันนี้จะไม่กล้าทําบาปโดยเด็ดขาดเพราะเห็นว่าผู้ที่กระทําบาปคือกายทิพย์นี้เป็นผู้รับผลไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่มีผลต่อร่างกายจะทําบุญหรือทำบาปร่างกายไม่ได้รับผลแต่อย่างใด แต่ผู้ที่จะได้รับผลนี้คือกายทิพย์พอเห็นว่ากายทิพย์จะต้องไปเป็นเปลยไปตกนรกไปเป็นเดรัจฉานผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่กล้าทำบาปเดริดขาผู้ที่เห็นความจริงว่ากายที่แท้จริงของตนคือกายทิพย์ไม่ใช่กายยาวไม่ใช่ร่างกายก็จะไม่ทำบาเพื่อที่จะรักษา ร่างกายอันนี้ไว้ถ้าร่างกายนี้จะต้องอดตายก็ยอมอดตายดีกว่าไปทําบาปเพราะทําบาปแล้วกายทิพย์จะต้องไปรับผลบาปรักษาร่างกายไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะร่างกายนี้มันก็ไม่ได้รับผลดีผลชั่วจากการกระทําของกายทิพย์จะอย่างใดนี่แหละคือ สิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรารู้จักตัวของเราว่าอยู่ที่กายทิพย์นี้และกายทิพย์นี้จะอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องมีธรรมะคือมีการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าเช่นทำทานรักษาศีลเจริญส ม, มะถกภาวนาวิปาาัสสนาภาวนา แล้วกายทิพย์นี้ก็จะดีขึ้นไปตามลาดับจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพราะอารหันต์พระพุทธเจ้าตามลาดับไปเกิดจากการมีธรรมมาขัดเกลามาพัฒนาจิตใจนั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ให้สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะเพียงอย่างเดียวให้สละทรัพเพื่อรักษาอาวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมะคือให้เรารักษาทานรักษาศีล รักษาการภาวนาถ้าเราต้องสูญเสียเงินทองเพราะเราต้องทาทานจากการทาทานจากการรักษาศีลจากการปฏิบัติธรรมภาวนานั่นสมาธิทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดความรู้ความเลาดเก็ให้ยอมเสียไปอย่าเสียดายเงินทองเพราะเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราได้ จิตใจเราไม่เจริญขึ้นเพราะเงินทองจิตใจของเราไม่เสืองง่อมลงเพราะเงินทองแต่จิตใจของเราเสือ่อมเพราะการกระทำบาปเจริญเพราะการกระทำบุญเราจึงต้องเลือกระหว่างทรัพสมบัติกับธรรมะถ้าเราต้องเลือกเราอยากไปเสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรา ไม่ได้ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นดังนั้นถ้าเราต้องทาทานแล้วต้องเสียเงินจากการทาทานก็ทำไปถ้าต้องเสียอะไรจากการรักษาสินจากการภาวนาก็เสียไปเช่นเสียทรัพย์ก็เสียไปเสียอวัยวะก็เสียไปเสียอวัยวะคือเสียอะไรก็เสียตาหูจมูกลิ้น กายนี้เองเช่นคนที่ถือสิลแปด ก, ก็เหมือนกับคนที่เสียอวัยวะเพราะไม่สามารถดูสิ่งที่อยากดูได้ไม่สามารถฟังสิ่งที่อยากฟังได้ไม่สามารถดิ้มรสดมกลิ่นดดดสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่อยากจะรับรู้ได้ก็เป็นเหมือนกับคนที่เสียอวัยวะไป คนที่ถือศีลแปนี้เหมือนกับคนสละอวัยวะสละตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในการหาความสุขจะใช้การการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นการหาความสุขให้กับใจโดยตรงอันนี้แหละที่ทัตุเจ้าบอกว่าให้เราสละทรัพย์สละอวัยวะและสละชีวิต ถ้าเราต้องตายเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน mm. ก็ขอให้เราอย่าไปเสียดายชีวิตเ mm. พราะชีวิตนี้ไม่ช้าก็เร็ว mm. ก็ต้องเสียกันไปทุกคนเสียแบบไม่ได้อะไร mm. เสียแบบได้มรรคผลนิพพานอย่างไหนจะดีกว่ากัน mm. ถ้าเราไม่ยอมเสียชีวิตเราจะมีความกลัวความทุกข์ยากลำบาก เราจะไม่สามารถออกปฏิบัติธรรมไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่น่ากลัวได้ถ้าเราไม่ไปอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นเราจะไม่สามารถสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ต้องเกิดอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกที่น่าหวาดเสียวหวาดกลัวที่มีภัยรอบด้าน มีสิงสาราสัตว์มีพูดผีปีศาจอะไรต่างๆถ้าคนกลัวตายนี้จะไม่สามารถออกปฏิบัติธรรมได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถรักษา กายทิพย์นี้ให้มีแต่ความล่มเย็นเป็นสุดได้ก็จะมัวอยู่กับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อกายทิพย์อยู่กับลาบยศสารเสริญแล้วก็อยู่กับการทําบาปเพื่อรักษาเพื่อให้ได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการมาแล้วก็ต้องไป อยู่กับอบายอยู่กับเดรัจฉานอยู่กับเปรตอยู่กับนรกนี่คือผลของผู้ที่นักตัวกลัวตายทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้หรอกว่าตัวที่ตนเองรักนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือจะไปรักมันไปหวงมันทาไม สักวันหนึ่งมันก็ต้องพังไปหมดไปสิ่งที่จะรักกับไม่รักสิ่งที่เราควรจะรักก็คือกายทิพย์ของเรานี่คือรักใจถ้ารักใจก็ต้องมีธรรมะต้องสร้างธรรมะขึ้นมาเพราะมีธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาใจที่จะขัดเกลาจิตใจที่จะพัฒนาจิตใจให้จเจริญรุ่งเรือง ให้มีความสุขให้ห่างไกลจากความทุกข์นี่แหละถ้าเรารักตัวเราจริงๆเราต้องรักการทําทานรักการรักษาศีลรักการภาวนามันไปวัดบ่อยๆมันทําทานบ่อยๆมันรักษาศีลบ่อยๆมันภาวนาวบ่อยๆอ ย, อยากเสียดายทรัพย์อย่าเสียดายอวัยวะ อย่าเสียดายชีวิตเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นสมบัติชั่วคราวในที่สุดมันก็ต้องจากเราไปไปดูคนที่ตายไปเขามีอะไรไปบ้างเขาเอาอะไรไปได้บ้างเอาอะไรไปไม่ได้เลยทรัพย์ก็เอาไปไม่ได้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้ก็คือกายที่ที่มีบาปหรือมีบุญติดตัวไปเท่านั้น ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้ากันว่าเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นกายทิบเราจะเจริญหรือจะเสื่อมจะสุขหรือจเจริญอยู่ที่การทำบุญอยู่ที่การไม่ทําบาปถ้าทําบุญเราก็จะเจริญไปเรื่อยๆมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำบาปเราก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆ จะติดอยู่กับภพบของอบายทั้งหลายถ้าเราทำบุญละบาปได้แล้วชำระใจให้สะอาดบอยสุดได้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะ น, นี้สิ่งที่ทำให้เรากลับมาเกิดคืออะไร ก็คือความอยากต่างๆนี่เองอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาตาหูจมูกนิ้งกายอันใหม่มาใช้เหมือนกับคนที่ชอบติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือพอโทรศัพท์เครื่องเก่าเสียไปก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาใช้ต่อพะไม่มีแล้วรู้สึก หุดหยิดลำคาญใจไม่สามารถติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้ฉันใดใจที่มีความอยากก็เป็นอย่างนี้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังจะต้องไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ วิธีหยุดความอยากก็คือต้องภาวนาเนี่ยทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดแล้วจะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกต่อไปอยู่ในโลกที่สบายกว่าอยู่ในโลกที่ประดับสูงสุดก็คือระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพระอาหารหันต์นี่เอง โลกทิพย์ระดับนี้เขาให้ชื่อว่าพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้ไม่ได้หายไปไหนผู้ที่ไปถึงพระนิพพานนี้ไม่ได้หายไปไหนกายทิพย์ของเหล่านี้ไม่มีวันสูญหายมีแต่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเท่านั้นเองจะอยู่สูงหรืออยู่ต่ำเท่านั้นเองก็อยู่ที่บุญที่บาปเรากระทำกันอย่างต่อเนื่องนี้เองดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้า แล้วพยายามทำบุญละบาปแล้วก็กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราจะได้ใจที่วิเศษที่สุดก็คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันนี้เองพระพุทธเจ้าทำอย่างไรได้อย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นดังนั้นขอให้พวกเราอย่าสงสัย ว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มีจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่มีจริงเป็นจริงและมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการลิโกคือใจของพวกเรานี่เองกายทิพย์ของพวกเราที่กําลังรอให้พวกเรามาพัฒนากันให้ดึงใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุด ไม่มีใครทำได้นอกจากตัวเราเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้สอนเราให้กระทำเท่านั้นถ้าเราไม่กระทำก็เราก็จะไม่สามารถพัฒนากายทิพย์ของเราให้เจริญให้สูงได้ดังนั้นขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะพบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงตามลำดับต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยร่ะงบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเองเป็นปัจจัยให้ท่านมีจากความสุขและความเจริญแค็งแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ